กับจะพินาทเทวดาในชั้นการมาวาจรพากันสายายผมนุ่งผ้าแดงแปลงเพี้ยนแปลกๆเที่ยวเหาะร้องไห้ไปในมนุษย์โลกประกาศว่าอีกแสนปีโลกจะพินาทเนี่ยน้น้ำในมหาสมุทรจะเหือดแห้งแผ่นดินใหญ่กับทั้งภูเขาินเนรูจะถูกไฟไหม้เป็นจุนไปท่านทั้งหลายจงเจริญเมตตากรุณามุตาิาเบกขาเลี้ยงดูบิดามารดาเคารพผู้ใหญ่ในตระกูลนะ ยงเร่เร่งทําอุสนอย่าได้ประมาทการที่เทวดาชั้นกาโมาาจรเที่ยวประกาศนั้นชื่อว่ากัปปะโกลาหนแล้วตอนนั้นเทวดาจะมาบอกพรหมมิหารให้รีบทําฌานสมาบัติได้ฌานแล้วจะได้เหาะดีกันตายแล้วจะได้ไปเกิดในพรหมโลกถ้าไปอยู่ในพรหมโลกเนี่ยถ้าโลกโลกถูกทําลายก็ไม่เป็นไรใช่ไหมถ้วไปอยู่ในชั้นสูงเตรี่ยไม่ยังอ่ะเขาจะย้ายพอกกันอยู่แล้วออมัวนั่งประมาทเพื่อน นี่ยเขาก็จะคล้ายๆว่าก็เป็นงี้จะไ ป, ไปรอฝรั่งไม่ได้ฝรั่งทําไปไม่ถึงจะไปบอกว่ารอให้ไปสํารวจดาวดวงนั้นดวงนี้พังหมดที่ใกล้ๆตัวเนี้ยโดนโดนทําลายหมดเลยต้องไปอยู่ในประเทศที่ไม่มีดวงอาทิตย์ต้องไปอยู่ให้สูงกว่านั้นดวงดาวที่มันดีกว่านี้ฉะนั้นต้องเจริญพรมวิหารทีนี้ถ้าถามบอกว่านา น, นไหมใช่ไหมจะถึงกับปากกวาลาห์หนเนี่ย ก็ต้องดูว่าอายุของมนุษย์เนี่ยร้อยปีลดปีหนึ่งร้อยปีลดปีหนึ่งอันนี้ไม่นานแน่เดี๋ยวแตกเดี๋ยวก็จะพังอายุยิ่งน้อยลงน้อยลงในสุวนหญิงโลกก็พังใช่ไหมฉะนั้นก็สังเกตได้อกว่าคนในยุคปัจจุบันก็ขาดเมตตาขาดกรุณาขาดมูทิตาขาดอุเบกขาดิานฟ้าอากาศก็แปรปรวนภัยธรรมชาติก็สารพัดเลยเดี๋ยวนี้ ถ้าในกรณีอย่างนี้คําว่ากับปากกลาหนเนี่ยเริ่มจะเกิดเดี๋ยวก็แผ่นดินไหวน้ําท่วมอะไรต่างๆสารพัดนึงประการที่สองคือว่าจักรวติกลาหนก็แปลว่าอีกร้อยปีพระเจ้าจักรพรรดิจะเกิดขึ้นเทวดาชั้นกาเมาวาจรก็ประกาศให้โลกรู้อันนั้นเรียกว่าจักรวติกลาหนคือถ้าพระเจ้าจักรพรรดิเจ้บาบตดเกิดขึ้นอันนั้นก็อีกยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนะแต่ไม่ใช่ยุคนี้ อันนั้นก็คือว่าเป็นจักรวาติโกลาหนประการที่สามคือพุทธโกลาหนอันนี้เทวดาชั้นสุทาวาสพรมอันนี้คือพรมนั่นเองซึ่งเป็นผ้านาคาเมีหรือเป็นผ้าอาหารเท่านั้นจะพากันตกแต่งร่างกายด้วยพรมาพรอย่างงดงามโภคศีรษะด้วยผ้าสำหรับพรมเกิดปีติสมณะและลึกถึงพระพุทธเจ้า เที่ยวประกาศให้ชาวโลกทราบว่าอีกพันปีพระพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นอันนี้ชื่อว่าพุทธะกุลาลุนเขาประกาศให้ทราบบอกว่าอีกหนึ่งพันปะีเนอะพระพุทธเจ้าจะมาตรัสสรู้เนี่ยนะท่านทั้งหลายเร่งทําความเพียรแล้วก็ตั้งจิตปราถนามาเกิดให้ทันพระพุทธเจ้ากันจะได้ตรัสรู้จะได้บรรลุนี่ยุคก่อนเราไม่ได้ฟังกันยังไงไม่รู้พุทธะกุลาลุนเนี่ยใช่ไหม ไม่ทันพระพุทธเจ้ากันเลยเนยหรือได้ฟังไปบอกก็ไหมือเป็นไรหรอกใครจะมาตัดสรุปก็เรื่องของเขาหรือไปเกิดเป็นอะไรอยู่ก็ไม่รู้อภิการต่อมาคือว่ามงคลกลาหนพรอมชั้นสุดทาวาสทราบความประสงค์ของเทวดาทั้งหลายจึงเที่ยวประกาศในหมู่มนุษย์บอกว่าอีกส2บสองปีพระพุทธเจ้าจากสแสดงมงคลอันนี้เ้าเรียกมงคลกวลาหนกลาหนข้อที่ห้าคือโมเนยะ กลาหลาวาสพรมได้ประกาศให้ชาวโลกทราบว่าอีกเจ็ดปีภิกษุรูปหนึ่งจะทูลถามโมนายะปฏิบัติคือข้อปฏิบัติของมุนิกพรพผู้มอภาคเจ้าชื่อว่าโมนายะกลาหนมงคลนี่จัดเป็นห้าประการ น, นฉะนั้นเมื่อมนุษย์และเทวดาคิดมงคลอยู่สิบสองปีก็คิดไม่ออก ไม่ตกลงกันว่าอะไรเป็นมงคลเทวดาชั้นดาวดึงก็พากันไปทูลถามเท้าส ก, กัดผู้เป็นใหญ่ในดาวดึงเท้าส ก, กัก็ตรัสถามว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนเทวดาก็บอกว่าพระพูทธเจ้าประทับอยู่ในมนุษย์โลกที่วิหารเชตวันเท้าส ก, กัดก็ตรัสถามว่าท่านทั้งหลายได้ไปทูลถามเรื่องนี้กับพระพุทธเจ้าหรือ ย, ยังก็จะรับคำตอบว่ายัง ก็ตรัสว่าท่านทั้งหลายได้ล่วงเลยพระผู้มีภาคเจ้าผู้แสดงสิ่งที่เป็นมงคลแล้วมาถามเราอุปมาเหมือนทิ้งไฟสีแล้วถือเอาไฟที่ก้นหิ่งห้อยเชนั้นมาเถิดเราไปเฝ้าพระผู้มีภาคเจ้าเถิดว่า้นตรัสแล้วก็รับสั่งในเทพพระบุตรองค์หนึ่งเป็นผู้ถามมงคลกับพระผู้มีภาคเจ้าแทนท้าส ก, ก่าเป็นต้นเหล่านี้ก็มาแล้วก็ให้เทพพระบุตรองค์นสมมติ องค์ถามขึ้นมั้คันนั้นเทวดาทั้งหลายมีเท้าสกะเป็นประธานได้ลงมาจากดาวดึงมาเฝ้าพระผููมีิรพ่าเจ้าที่เชดวนันถวายบังคมแล้วยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งเทวดาองค์ที่ได้รับมอบหมายจากเท้าสกะได้ทูลถามมงคลขึ้นในเวลานั้นได้มีเทพเจ้าในหมื่นจักรวาลได้พากันมาแอบอัดชุมนุมกันในมงคลจักรวาล น, นี้เพื่อฟังมงคลปัญหา ได้เนลมิตกายให้ละเอียดจนแม้เล็กเท่าปลายขนทรายก็จุเทวดาได้ตั้งสิบอง์ก็อกงั้นคือทําให้กายละเอียดไงที่จริงกายละเอียดเนี่ยเขาซ่อนกันอยู่ได้นะว่างั้นแต่จุดเล็กเท่าปลายขนทรายแหย่ลงเนี่ยนันมีเทวดาสิบองอยู่ได้เยอะขนาดนั้นนะนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าเห็นหมดนะทีนี้ว่า บางที่จนถึง80ดองค์รัศมีของเทวดาสว่างสวัยเป็นหมวดแต่รัศมีพระกายของพระผู้มีพรภาคเจ้าก็สว่างสวัยรุ่งเรืองกว่ารัศมีของเทวดาเหล่านั้นนั้นเป็นอันว่าเทวดาในคืนนั้นนะเทวดาก็มาแอบอัดอยู่ในที่นั้นนะไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถามพระผู้มีพรภาคเจ้าว่าพระหูเทวามนรณุศาจะมังคารานิอาจินแตยุงอากังขมานาโสฐานางพรหิมังคาะมุตมังแปลว่าอะไร เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากผู้หวังอยู่ซึ่งความสวัสดีได้พากันคิดถึงสิ่งที่เป็นมงคลทั้งหลายขอพระองค์จงตรัดมงคลอุดมมงคลซึ่งพระผู้มีภาคเจ้า ก, ก็ได้ตรัสบอกว่ามงคลนั้มีอยู่3 8บประการด้วยพระคาถาสิพระคาถาบอกอเสวนาจะพาราณังปันติตา น, านันจะเสวนาเนี่ยดังที่ได้กล่าวมาตามลาดับ ก็เลยเริ่มกล่าวในเรื่องว่าอะไรเป็นมงคลและอะไรไม่เป็นมงคลบินต้นลำดับแรกก็คือว่าถ้าฐาแรกนี่นะบอกว่าการไม่คบคนพานหนึ่งการครบบัณฑิตหนึ่งแล้วก็การบูชาบุคคลผู้คนบูชาหนึ่งมีกี่มงคลส ม, มงคลนี่นะอันนี้เป็นอุดมมงคลคําว่าเป็นอุดมมงคลแปลว่าเป็นมงคลอันสูงสุดในมงคลข้อแรกคือการไม่คบคนพานท่านอธิบายไว้ยังไง ท่านอธิบายไว้บอกว่าไม่ควรแม้แต่จะเข้าใกล้จะป่วยกล่าวไปใหญ่แม้กับการที่จะคบหาเป็นมิตรสหายบอกว่าเราจะหาประโยชน์อะไรจากคนพานไม่ได้เลยบอกว่าเออไปเข้าใกล้เนี่ยหาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยจากคนพานเนี่ยนะเปรียบเสมือนไฟที่ลุกลามจากเรือนไม้ อ, อ้อหรือเรือนที่ทําด้วยญ่าเนะี่ยย่อมจะไหม้ไปจนถึงยอดแม้ชันใดหรือที่โบกปูนไว้ทั้งข้างในและข้างนอกเนะี่ย ไม่มีช่องลมมีประตูหน้าต่างปิดสนิทแม้ชั้นใดภัยอันตรายทั้งหลายอุปสรรคอันตรายทั้งหลายเกิดแต่คนพาหนทั้งสิน้นคนพาหนนั้นเปรียบเสมือนปลาเนา่าผู้คนหรือว่าผู้คบคนพานก็เปรียบเสมือนใบไม้ที่ห่อปลาเนา่าคนพาหนไม่เหมือนปลาเนา่าใช่ไหมส่วนคบคนพานเหมือนใบไม้ที่เอาไปห่อปลาเนา่าย่อมจะเหม็นไปด้วยกับปลาเนา่านั้นเช็ดด้วย ปราเน่าไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของใครๆมีแต่จะถูกโยนทิ้งฉันใดคนพานก็ไม่เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของบัณฑิตถูกบัณฑิตทอดทิ้งไม่คบหาไม่เข้าใกล้ฉันนั้นเพราะฉะนั้นการครบคนพานจึงเป็นอันตรายต่อผู้ที่เข้าไปคบทั้งในโลกนี้และโลกหน้าไม่ใช่เฉพาะในโลกนี้อย่างเดียวนะโลกหน้าก็เป็นอันตรายด้วยแต่การไม่คบคนพานนั้นเนี่ย เราก็จะต้องรู้จักหน้าตาของคนพานทั้งหมเพราะว่าคนพานหรือไม่พานเนี่ยเขาไม่ได้ดูกันที่หน้าตาเนคนที่ลักษณะของคนพานนั้นพระพุทธเจ้าแสดงไว้สามอย่างในภานและปัณติตสูตรคนพานเมื่อจะพูดก็พูดชั่วเมื่อจะทำก็ทำชั่วและเมื่อจะคิดก็คิดชั่วนี่นะหรือจะกล่าวว่าคนพานนั้นน่ประกอบด้วยอากุศลกรรมรบสบ ปาณาติบาตอธินนาทานกาเมสุมิฉาจารมุสาวะปิสุนาวาจาพระุสาวจาสัมภปราปะอภิชาพยาบาทแล้วก็มิฉาทิฏฐิใช่ไหมนี่คือคือลักษณะของคนพานคนพานจะมีอกุลเนี่ยประกอบด้วยอกุศลกรรมบสิบเนี่ยมีปาณาติบาตเป็นต้นเนคนพานมีชีวิตอยู่ศักแต่ว่าหายใจเข้าออกเท่านั้น ก็บอกหายใจเข้าออกไปวันวันเท่า น, นั้นเองคนพานเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยปัญญาเหมือนกับบัณฑิตทั้งหลายถ้าบัณฑิตนี่อยู่ด้วยปัญญาใช่ไหมจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคูจะเหยียดจะก้มจะเงยเนี่ยบัณฑิตจะอยู่ด้วยปัญญาด้วยการวิเคราะห์ด้วยการคิดแต่คนพานไม่อยู่ด้วยว่าสักแต่หายใจเข้าออกก็ว่างเพราะเหตุที่คนพานนั้นประพฤติชั่วด้วยตนเองคือคนพานเนี่ยทตนเองก็ทาชั่วแล้วเนี่ย และยังชักนําให้ผู้อื่นทําชั่วด้วยฉะนั้นการครบคนพาลจึงมีอันตรายมากพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้คบคนพาลให้คบบัณฑิตคนพาล น, นั้นย่อมทําลายทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนะในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นพระเทวทัตที่ถูกพระเทวทัตนั้นน่ยไม่ได้เป็นคนพาลประพฤติชั่วแต่ลําพังนะยังชักชวนให้ภิกษุบางรูปและพระเจ้าชาติศัตรูได้ประพฤติชั่วด้วย ผลก็คือว่าตนเองตกนรกพระเจ้าชาติตัก็ตกนรกนี่ยเขาก็ไอ้วันก่อนเขาก็ถามว่าเอ๊ะท่านนรกเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเขก็ถามพระจริงจริงนรกก็คือเมืองนี่นะอย่างเช่นในมหานรกเนี่ยนะมหานรกเนี่ยแปดขุมเนี่ยนะอ่ามีมหาโร ก, นะ ก, นะกใหญ่นี่แปดปดแปดขมุมก็เหมือนแปดเมืองใหญ่ๆอะ่ะแล้วยังแต่ละขุมเนี่ยมีบริวาร น, นี่นะ บริวารอีกห้สิบอย่างนี้เป็นตน้นมันเหมือนตัวกรุงเทพเนี้ยนะแล้วก็มีจังหวัดต่างจังหวัดเงนี้ยฉะนั้นมันก็เป็นเมืองลักษณะอย่างนี้ถ้าไปถกแล้วเราก็คือไปเมืองเมืองหนึ่งนี่ลยนะถ้าไปอยู่ในเมืองนี้แล้วก็มันแล้วแต่ว่าจะไปอยู่แดนไหนใช่ไหมเออไปอยู่แดนไหนถ้าไปอยู่ในแดนที่มันโหนทรมานมากๆเนี่ยแล้วมันก็ออกไม่ได้มันยังมีเหมือนกันนะต้องพยายามหนีออกจากตรงนั้นให้ได้นะ ยกตัวอย่างเช่นถ้าไปตกอยู่ในอเวจีเนี่ยนะเขาก็จะพยายามวิ่งออกจากเมืองนั้นเองนะพยายามกระเสือกกระสนแต่มันประเภทที่ว่ามันทั่วโลกของของนรกเนี่ยมันมันทุกหมดเนี่ยมันทุกหมดนะแต่ว่ามากที่สุดก็คือในอเวจีใช่ไหมถ้าใครปุ้งก็ไปอยู่ในอเวจีนี่เรียบร้อยเลยโอ้โหกว่าจะออกได้นี่หลายล้านปีวิ่งสมซานอยู่นั่นเลย ไปบอกประกาศเขาก็ไม่ได้นะบอกว่านี่ชันเนอะชันเนะ่ยไปบอกอีกก็ไม่ฟังแล้วในที่นั้นไม่มีไม่มีใตโต้ด้วยนะียืนไตโต้เยนะแ ต, แต่ในโลกมนุษย์เนี่ยว่าว่าพอจะยืนไตโต้กันได้บางมีความผิดอะไรก็ยังยังพอเพราะว่าพอแก้ไขได้แต่ถ้าไปในโลกของอาวียจีแล้วหมดหมดสิทธ์เลย บางทีเหมือนเ็าการุณาเรานะอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเรากาลังว่ายอยู่ในน้ำกรดเนี่ยนะน้ำกรดเนี่ยถูกตัวก็ขาดเป็นชิ้นๆเนี่ยอ่ามีนายเนี่ยบาลรออยู่โอ้โหเรากล่าวว่าบุญของเราแล้วเนี่ยพอไปถึงเ็าใช้ตะขอสับยกขึ้นมายกขึ้นมาบอกเอ้าไม่ได้เรื่องนะตัว่าพอพอเกาะตะขอเกาะขึ้นมา เ, นเสร็จแล้วจับเอาคีมเหล็ก ทางป่าก็ตักน้ําร้อนตักน้ําใส่โอ้โตาลีตาเหลือกออกไปแล้วเขาบอกเขาจะช่วยให้โ <Ho> อ <or nosso> ้โหดีใจนะเขาหาว่าเขาจะช่วยเตียก็ไปนี่ใส่ใส่ไหลออกมาอีกแล้วไม่ตายจนกว่ากรรมนั้นจะหมดนั่นมันเป็นมันเป็นเมืองอ่ะมันเป็นเมืองเลยนะแล้วก็มีเป็นเมืองใหญ่แล้วก็มีจังหวัดเล็กๆๆๆล้อมไอ้จังหวัดเล็กๆไม่เท่าไหร่นะ แต่ถึงขนาดไม่เท่าไรก็ไม่มีความสุขเลยก็คิดว่าหาสุขใจสักนิดไม่มีเลยมีแต่ทุกข์โดยไายเดียวนั่นแนหะโทษของการเป็นคนผานเนี่ยเนี่ยพอไปทํากรรมชั่วขึ้นมาลองคิดดูว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ชั่วเฉพาะตัวเนี่ยไปชักชั่วให้คนอื่นชั่วด้วยในชะ่ไหมไอ้ตรงนี้คือผานแท้ไม่ได้ชั่วเฉพาะตัวไปชักชวนคนอื่นชั่วด้วยงั้นทําลายประโยชน์ตนประโยชน์ท่านดังที่ได้ยกตัวยอย่าง เมื่อพระผู้มีพภาคเจ้าแสดงโทษของคนพาลอย่างนี้แล้วเนี่ย เ, ยเยมื่อจะแสดงคุณของบัณฑิตจึงตรัสว่าปัณฑิตานันจะเสวะนะการคบบัณฑิตเป็นอุดมมงค์คนเนี่ยเพราะว่าบัณฑิตนั้นย่อมประกอบไปด้วยกุศลกรรมบทศิษยก็คือสุจริตทางกายทางวาจาและทางใจไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาลไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเนี่ย แล้วก็ไม่โลภไม่พยาบาทไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิอาศัยปัญญาเครื่องชักจูงในทางประกอบการพิจารณาการงานทั้งปวงแล้วก็แนะนำผู้อื่นก็แนะนำแต่สิ่งที่ดีที่มีประโยชน์ฉะนั้นบัณฑิตนั้นรักษาตนเองไม่ให้ตกไปในทางชั่วแล้วก็สามารถรักษาผู้อื่นได้ด้วยเป็นเหมือนดวงไฟที่สามารถกาจัดความมืดเป็นเหมือนข้าวปลาหารที่กำจัดความหิวเนี่ย เพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงเป็นที่พึ่งแก่ตนเองและแก่คนอื่นเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเป็นอันมากช่วยสัตว์ทั้งหลายใด้ถึงอุดมบงคลคือความสิ้นอาสวะช่วยให้เกิดในภพมาโลกก็มีเกิดเป็นมนุษย์เทวดาก็มีเป็นมนุษย์เทวดาทั้งหลายที่พากันเลื่อมใสแม้ในภาษาวกของพระผู้มีพาคเจ้ามีภาษารีบุตรพระโมคขาราณาพานนเว็นต้นเนี่ยต่างที่เกิดมาก็ร้วนแต่เป็นบัณฑิตนเนี่ย แล้วก็ยังชักจูงให้บุคคลอื่นได้ประสบแต่ความสุขความเจริญเป็นด้วยฉะนั้นบัณฑิตจึงเปรียบเสมือนของหอมเช่นกฤษศนาและดอกไม้หอมเป็นต้นคนที่คบบัณฑิตก็เหมือนกับใบไม้ที่หอของหอมพลอยได้รับสิ่งที่หอมเป็นด้วยนี่เป็นไปลักษณะอย่างนั้นปัจจุบันเนี่ยคนพานมีมากคนพานมีมากเนี่ยฉะนั้นน่ะถ้าในอยู่ในกลุ่มในโลกใบนี้ด้วยแล้วเนี่ย การที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมก็เต็มไปด้วยคนพานเนี่ยโอกาสที่จะทำชั่วมันเยอะเพราะว่าพานเนี่ยนะโดยองค์ธรรมแล้วเนี่ยมันได้แก่อกุศลและจิตแล้วก็เจตศิกที่ประกอบความโรคความโกรธ ค, ความหลงถ้าเกิดขึ้นหน้าขนาดใดในขนาดนั้นชื่อว่าจิตนั้นเข้าถึงความเป็นพานเนีถ้าเราพิจารณาทำความเข้าใจอย่างนี้ว่าเออ ที่จริงเนี่ยว่าคําว่าพานในบางทีมันอยู่ในใจเราเหมือนกัน น, นี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้นี่ประการต่อมาคือว่าเกี่ยวกับในเรื่องของในเรื่องของพานเนี่ยนียท่านกล่าวไว้ในจริยาปีดกในจริยาปีดกเนี่ยบอกว่าในประวัติของท่านอากิตติคือพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยเกิดเป็นท่านอากิตติดาบดเนี่ย เปนดาบทมีวันหนึ่งท้าวส ก, ก่าก็จะให้พรคือให้พรแก่ท่านอากิติเนี่ยบอกว่าท่านท้าวส ก, ก่าผู้เป็นจอมเทพทั้งหลายหากท่านจะให้พรแก่อาตมาบอกบอกหากจะให้พรแกอาตมานีท่านท้าวส ก, ก่าบอกขอจงให้พรว่าบุคคลไม่พึงเห็นไม่พึงได้ยินคนพาล น, นีไม่พึงอยู่ร่วมด้วยคนพาล ไม่พึงกระทําและไม่พึงชอบใจการสนทนาปราศัยของคนผ่านคือท่านากิติฐาขอพรขอพรอย่าเท้าส ก, ก่าบอกเออถ้าท่านจะให้พรเราเนี่ยก็พึงให้บอกว่าขอจงให้พรว่าบุคคลไม่พึงเห็นไม่พึงได้ยินคนผ่านบอกอย่าได้เห็นคนผ่านเลยและอย่าได้เห็นไม่พรให้อย่าได้ยินเสียงของคนผ่านเลยและ ไม่พึงอยู่ร่วมด้วยคนพานและไม่ควรอยู่กล้ยอยู่ร่วมด้วยไม่พึงกระทําและไม่พึงชอบใจสนทนาปลาัยกับคนพานบอกว่าอยากให้ข้าพระเจ้าได้ยินดีพฤติกรรมของคนพานแล้วเป็นต้นเลยทีนี้ท้าวสกาก็ถามว่าข้าแต่ท่านกระศกระศพเพราะอะไรท่านจึงไม่ชอบคนพานจงบอกเหตุเพราะเหตุไรพระคุณเจ้าจึงไม่ปรารถนาที่จะเห็นคนพานเล่ว้วพวกนั้น ท่านก็บอกว่าคนพาลย่อมแนะนําสิ่งที่ไม่ควรแนะนําย่อมขนขวายในกิจอันไม่ใช่ทุละคนพาลเนีน่ยคนพาลแนะนําให้ดีได้ยากพูดดีหวังจะให้เขาเป็นคนประเสริฐก็กลับโกรธคนพาล น, นั้นไม่รู้วินัยคนพาลเนี่ยไม่มีไม่มีสังวรวินัยไม่มีประหารวินัยหรอก ไม่มีศีลสังวรไม่มีปาติโมกสังวรไม่มีขันติสังวรวิริยะสังวรยานนสังวรนี่ไม่มีแล้วคนพ่านไม่มีพวกนี้ถามว่าคนผ่านมีขันติไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีมีสังวรระวังจะบาปไหมไม่มีเหมือนกันไม่มีศีลเป็นต้นเนี้แล้วก็ไม่มีไม่มีสมุเชษฐาบัณฑเป็นต้นเหล่านี้ไม่มีกาลากิเลสเป็นต้นเหล่านี้ไม่ว่าจะล่แบบแต่ทางข้าประหารวิขำพันธหรือสมุเฉทาเป็นต้นก็ไม่มี การไม่เห็นคนพาณิเป็นการดีเนี่ยแกปรารถนาบอกว่าอูถ้าจะบอกว่าคนพาณเนี่ยแนะนําสิ่งที่ไม่ควรแนะนําย่อมคนขวายในกิจที่ไม่ใช่ธุระเช่นจะไปเจริญวิปัสนาธุระกับคันถาธุระกับวิปัสนาธุระในคนพาณไม่เอาเช่นศึกษาคําสอนเนี่ยไม่เอาคนพาณไม่เอาอย่างนี้นีน่เป็นลักษณะอย่างนี้เนีที่บอกว่าเพราะฉะนั้นบัณฑิต ส่วนบัณฑิตเนี่ยเป็นปิตที่พึ่งแกตนเองและบุคคลอื่นได้เป็นต้นเหล่านี้ทีนี้บัณฑิตนั้นนะนะเป็นบุคคลที่เราควรบูชาคนพาล น, นั้นเป็นคนที่เราไม่ควรบูชาการบูชาก็มีอยู่สองอย่างนะคืออามิสบูชาแล้วก็ปฏิบัติบูบชาอามิสบูชาคือดอกไม้ทูบเทียนของหอมเป็นต้นปฏบิบัติบูชาก็คือการรักษาศีลการเจริญภาวนาเป็นต้น การบูชานั้นเราบูชาบุคคลผู้คลบูชาหนึ่งบูชาคุณความดีเป็นต้นของบีดามานดาผู้มีพระคุณเป็นต้นเหล่านี้ลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นการบูชาอันนั้นเป็นข้อที่สามนะก็คือว่าการในคำว่าปูชาจะปูชนียานางเยตามังคารมุตตะมังเนี่ยเขาบอกบูชาบุคคลที่ควรบูชาถ้าจัดว่าเป็นมงคล ทีนี้ในคําสอนที่บอกว่าการบูชาเราบูชาบุคคลหนึ่งแล้วก็บูชาคุณความดีหนึ่งเช่นบิดามารดาเลี้ยงเรามาอุปการละมาเราก็บูชาท่านตอบด้วยการดูแลอุปการละอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ในการศึกษาคําสอนนี่นีไม่ว่าจะเป็นการไม่คบคนพานการครบบัณฑิตการบูชาบุคคลที่ควรบูชานี่ ข้อที่ยาวหรือจะทําความเข้าใจในสามประเด็นแรกเนี่นะก็คืออย่างที่เคยกล่าวกันไว้ว่ า, าบูชาบูชาบุคคลที่ควรบูชาเดี๋ยวจะดูในคัมภีเนติปกรนิดในคัมภีเนติปกร ณ, รกรณ์ท่านกล่าวเขาไว้นะกล่าวเกี่ยวเรื่องการบูชาเขาไว้บอกว่าการให้ข้าวให้น้ําให้ประทีป ให้แสงสว่างให้เครื่องปูนุ่งเป็นนั่งเป็นต้นเหล่าเนี้ยหรือให้ที่เครื่องอยู่ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคอันนี้เกี่ยวกันในเรื่องของการบูชาทั้งนั้นแหละที่เราบอกเออบูชาเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นดอกไม้ของหอมต่างๆเหล่าเนี้ยที่เราไปสักการละไปบูชาหรือไปให้หนึ่งเง้นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าบูชาที่นี้ว่า บูชาด้วยการปฏิบัติก็คือการตั้งอยู่ในความดีเป็นการบูชาท่านบ้างมัรดาบิดาบ้างมีทั้งที่เป็นคนดีและไม่ดีคือเป็นบัณฑิตก็มีเป็นคนบานก็มีแต่เราก็ต้องถือว่าเป็นผู้มีพระคุณจึงควรบูชาท่านทั้งสองท่ผู้ที่ควรผู้ที่เคารพ บ, บูชาบิดามรรดาอยู่เป็นนิดนั้นนะ่ได้รับความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหนะ้าบางคนนั้นเนะ เราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักได้แต่ฟังคุณความดีของท่านมาฉะนั้นการเคารพการบูชาเนี่ยการบูชาเช่นตัวอย่างว่าการเคารพ บ, บูชาพระพุทธเจ้าการเคารพ บ, บูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็ตลอดถึงสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านี้ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการบูชาสิ่งที่ได้แล้วก็คือว่าประโยชน์ในปัจจุบันแล้วก็ประโยชน์ในภายภาคข้างหน้ามีเป็นใบลักษณะอย่างนี้ นี้นี่เป็นเป็นมงคลในข้อแรกๆฉะนั้นในในลักษณะที่มงคลเนี่ยนะในมงคลสูตรที่ท่านกล่าวกล่าวเขาไว้ว่าการไม่คบคนพาลเป็นต้นเหล่านี้และการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นต้นเหล่าเนี้ตรงนี้ท่านก็กล่าวเขาไว้อย่างนี้บอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยผู้ชื่อว่าเป็นพุทธะเพราะเว้นจากโทษทั้งปวง พอประกอบด้วยคุณทั้งปวงพระปัเจกับพุทธเจ้าและพระอริยาสาวกทั้งหลายผู้มาในภายหลังแต่พระผู้มีภาคเจ้าทั้งหลายก็ชื่อว่าปูชนียบุคคลคำว่าปูชนียบุคคลเนี่ยอย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระปัเจกับพุทธเจ้าและก็สาวกของพุทธเจ้านี่จัดว่าเป็นปูชนียบุคคลด้วยว่าการบูชาทักษิณียบุคคลเหล่านั้นแม้จะน้อยก็ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขตลอดกาแลแ น, น่นอน ในข้อเนี้ยท่านก็ยกตัวอย่างว่านายสมมนมาลาการ เ, เป็นตัวอย่างในเรื่องของการบูชาบุคคลที่ควรบูชาแล้วก็นำความสุขมาให้ตลอดกาลนานคือในเช้าวันหนึ่งใช่ไหมพระผู้มีพระเจ้าก็นุ่งสบงเรียบร้อยแล้วก็ถือบาทและจีวรเสด็จไปกรุงราชคลึบินธบาตในตอนนั้นนายนายสมมนมาลาการถือดอกไม้ทั้งหลายเพื่อพระราชาผู้เป็นใหญ่ในแคว้นมคธ กำลังไปอยู่คือนายสมมนมาลาการเนี่ยมีหน้าที่เอาดอกไม้ไปในพระราชวังไปถวายพระราชาทีนี้ในวันนั้นน่ะนายสมมนมาลาการก็ผ่านมาได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ยังผู้อื่นให้เลื่อมใสเนี่ยผู้ควรเลื่อมใสประดับด้วยมหาปุริสระขนาด32ประการและนุปยัญชนะ80คือเสด็จดำเนินมาเนี่ยนะบอกว่างามมาก รุ่งเรืองอยู่ด้วยพุทธสิริเสด็จถึงประตูพระนครพอดีนายสุมณมาลาการนั้นเห็นแล้วก็มีความดัมเหลีว่านี่นะบอกว่าถือดอกไม้จะไปให้พระราชาเนี่ยของพระราชาทานที่จะต้องไปให้พระราชาเนี่ยแต่พอมาผ่านพระพุทธเจ้าก็เลยดัมเหลียคิดในใจบอกว่าพระราชารับดอกไม้ทั้งหลายแล้วก็พระราชาทานทรัพบร้อยกหาปรรณะนะหรือพันกหาบรรณะแกเรา ก็ซั์นั้นพึงเป็นความสุขยิ่งในโลกนี้คิดอย่างงี้นะแต่การบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้ามีผลประมาณมีได้นับมีได้ย่อมนำความสุขมาให้ตลอดกาลนานเอาเถิดเราจะบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้านี่คือคนมีปัญญาก็คิดเนเดินผ่านมาเห็นพระพุทธเจ้าเดกไกลนี่ คิดแล้วบอกว่าอ้วันนี้เลิกล้มเนื้อแลนะ้วการที่เราจะดอกไม้ไปถวายพระราชาแล้วก็ได้ทรัพย์เพียงแคร่ร้อยหรือพันกนหาปณะนเนี่ยนายสมมนมาลาการนั้นมีจิตเลื่อมใสถือดอกไม้กำมือหนึ่งซัดไปแล้วพอพอนั้นก็โยนดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าเลยด้ยจิตที่เลื่อมใสเนี่ยนะเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าดอกไม้ทั้งหลายไปทางอากาศ ลอยไปเลยเลยเนะีได้เป็นเพดานดอกไม้ดํารงอยู่แล้วเบื้องบนของพระผู้มีพระภาคเจ้านายมาลาการเห็นอนุภาพนั้นแล้วมีใจเลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นได้สัดดอกไม้อีกกำมือหนึ่งออกไปแล้วนะเป็นเกาะดอกไม้ดํารงอยู่นายมาลาการซัดดอกไม้ไปถึง8กดกำมือด้วยกันอย่างไปแล้วก็ไปลอยอยู่ลักษณะอย่างเนี้ แม้ถ้าเห็นความอัศจรรย์ขนาดนี้แล้วมีเท่าไหร่โยนหมดเลยนะโยนหมดโยนถึงแปดกำ ม, มือดอกไม้นั้นก็เป็นเรือนยอดเลยเนะี่ยพระผู้มีพภาคเจ้าประทับอยู่แล้วในเรือนยอดมูมหาชนประชุมกันแล้วโอ้ประชาชนก็แตกตื่นพระผู้มีพภาคเจ้าทรงสารเสริญนายมาลาการจึงได้กระทําการแย้มพระโอษฐ์ให้ปรากฏ คือพระเจ้าพอเห็นนายมาลาการในสมบูรมาลาการพูดอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าแย้มพระโอสถการแย้มพระโอส์ปุ๊บนี่ท่านพระนอนก็คิดว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ทําการแย้มพระโอสถให้ปรากฏเพราะไม่ใช่เหตุไม่ใช่ปจัจจัยนีดังนั้นแล้วก็ทูลถามถึงเหตุที่ทรงแย้มพระโอส์พระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าดูก่อนานอนนายมาลาการนี้ท่องเที่ยวไปแล้วในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสิ้นแสนกับ บอกเลยบอกว่าตอนนี้ไปนายสมมนมาลาการเนี่ยจะท่องเที่ยวอยู่สองอยู่สองวัดสองภพเน่ไม่มนุษย์กเทวภูมิจะไม่ลงอบายภูมิเลยแสนกับนาคมไม้ดอกไม้แปดกรรมนี่น่แสนกับ น, ก น, นี่ ย, น, น, ยนี่คือคนตั้งใจทำจริงๆตั้งใจบูชาจริงใช่ไหบอกนายสมมนมาลาการเนี่ยจะไม่ลงสู่นรกเลยเนี่ยจะท่องเที่ยวในมนุษย์และเทวาดาแสนกับ ในที่สุดจะได้เป็นพระเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้ามีชื่อว่าสุมนิสระด้วยอนุภาพแห่งการบูชานี้นี่เราก็มาพิจารณาะบุคคลทํากรรมใดไว้ไม่เดือดร้อนในภายหลังกรรมนั้นแลที่บุคคลทําไว้แล้วนั้นน่ยเป็นกรรมดีนายสมนมาลาการในเ อ, อิบอิ่มแล้วด้วยกรรมใดย่อมสวยบักกรรมนั้นกรรมนั้นแลอันบุคคลกระทาไว้แล้วเป็นกรรมดีในที่สุดแห่งคาถาเนี่นี่ยสัตว์ได้บรรลุตั้งแปดหมืสี่พัน ทีนี้ไอ้ตรงเนี้ถ้ามาพิจารณาดูเนี่ยนะบอกเออทําไมทําไมอานิสงส์ถึงมากมายขนาดนั้นเหตุที่อานิสงส์มากมายขนาดนั้นเพราะอะไรก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคุณใหญ่มีศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณวิมุตติคุณวิมุตติคุณวิมุตติญาณทัสสนคุณนันใหญ่เนี่ยฉะนั้นบุคคลที่มีคุณที่ยิ่งใหญ่ขนาดเนี้เนี่ย แล้วบวกกเจตนาของนายสมุนมาลาการที่มีเจตนาที่มั่นคงปีติสมานัดกอเวลาเราไปสักการะบูชาพระเจดีทั้งหลายเนี่ยนะบูชาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้จิตเราตั้งมั่นแบบไม่หวั่นไหวไม่ได้ถ้าหากว่าตั้งมั่นแบบไม่หวั่นไหวนี่ยนะอันนี้สงไปเยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะนี่นี่อันนี้สงไม่ใช่ไม่มากจริงๆอันนี้สงเยอะ ทีนี้การบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นแม้จะน้อยก็พึงทราบว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขตลอดกาลานานฉะนั้นการบูชานั้นเป็นอามิ t h สบูชาเท่านั้นยังให้ผลเึงเพียงนี้ใช่ไหมจะป่วยกล่าวไว้ใหญ่ถึงการปฏบิบัติบูชาเช่นการทําศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทําศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญบริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ย ควรบทเราใดย่อมบูชาพระผู้มีพระเจ้าด้วยการถึงรัตนะด้วยการรับศึกขาบทด้วยการสมาทานอุโบสถการถึงรัตนะคือการถึงวัพุทธรัตนะถึงพระธรรมรัตนะถึงพระสังขรัตนะนี่นะเหมือนในรัตนสูตรที่กล่าวก็ไว้บอกว่าการถึงรัตนะเนี่ยที่บอกว่ารัตนะนี้อันเป็นรัตนะอันประณีตเนี่ย พูดเราได้ประชุมกันแล้วในประเทศก็ดีภูมิมาตรเทวดาเราได้ประชุมกันแล้วแนอากาศก็ดีขอหมู่พูดทั้งปวงจงเป็นผู้มีใจดีและขอจงฟังภาสินโดยเคารอบดูก่อนพูดเพราะเหตุ น, นั้นท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังขอแผ่เมตตาให้จิตมนุษย์มนุษย์เราได้ทำพีกรรมในกลางวันกลางคืนเป็นต้นเหล่านี้ภาษากะยะมุนี ซับเครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้และโลกอื่นและรัตนาอันใดอันหนึ่งในสวรรค์ซั์เครื่องปลื้มใจเหล่านั้นเสมอโดยพระตถาคตไม่มีเลยพุทธรัตนาแม้นี้เป็นรัตนาอันปาณีิเป็นรัตนาอันบะเสฐแม้พระธรรมรัตนาก็เป็นรัตนาอันปานนิและที่บะเสฐสังฆรัตนาก็เป็นรัตนาที่ปานนิษและประเสดเนี่ยฉะนั้นการถึงรัตนะคือการถึงว่าพุทธวธรรมและพระสงฆ์เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการถึงรัตนะ ประการต่อมาคือการรับสิกขาบทก็คือสมาทานตื่นช้ามาก็สมาทานทุกวันสมาทานอะไรศีลห้าบ้างศีลแปดบ้างถ้าถึงวันอุโบสถก็สมาทานอุโบสถศีลด้วยคุณทั้งหลายของตนมีปริสุด ท, ที่ศีลสี่ประการเป็นต้นใครเล่าจักพลนาผลได้เขาบอกว่าก็ขนาดทานเนี่ยนะ นายสมมนมาลาการเนี่ยนะถวายดอกไม้แปดกำมือเนี่ยนะได้แสนกับแล้วก็ในที่สุดจริงๆได้เป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้านี่นะต่อไปนายสมมนมาลาการจะได้เป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าในอนาคตด้วยและต่อจากนี้ไปแสนกับเนี่ยนายสมมนมาลาการไม่รู้จักทุกขติเลยอันนี้ผลของบูชายัางขนาดนี้นี่บูชาด้วยอมิตรนะทีนี้ถ้าบูชาโดยการปฏิบัติเช่น การถึงรัตนาไตรเช่นรับเอาพระรัตนาไตรยมาเป็นสารณาเป็นที่พึ่งอย่างจริงๆเนี่ยนีข้าพเจ้าจะจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองเพื่อนมัสการความจัตตุรูดีของพระพุทธเจ้าความเปบิณฑำดีของพระธรรมกามจัตตระความประพฤติปฏิบัติดีของพระสงฆ์เนี่ยถ้าเราน้อมจิตของเราเป็นไปด้วยกายกรรมวจีกรรมโนกรรมที่เป็นไปกับบุญกุศลจริงๆอย่างเงี้ยนีกายกรรมวจีกรรมโนกรรมเป็นไปกับพระรัตนาไตรเนี่ย เออถ้าเป็นไปอย่างนี้จริงๆเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกปฏิบัติบูชาฉะนั้นถ้าถามบอกว่าการถึงพระราชนตรัยเนี่ยเป็นบูชาประเภทไหนอย่าไปเรียกเป็นอามิตนะนี่เขาเรียกปฏิบัติการเอาศีลรับเอาศีลเนี่ยมามามาเป็นข้อปฏิบัตินี่เขาเรียกปฏิบัติบูชาเหมือนกันสมาทานศีลเนี่ยนะบ็ดเสร็จอยู่ในศีลเนี่ยนะแล้วก็อุโบสถทศีลตลอดถึงว่า ก็ทําศีลเหล่านั้นให้เข้าถึงความบริสุทธิ์สี่ประการก็ปาฏิโมกสังวรศีลอินทรีย์สังวรศีลอาชีวะบริสุทธิ์ทีศีลปัจจะยสันนิสิตาศีลนี่เนี่ยถามพระพุทธท่านบอกว่าใครเล่าจักพรรณนาผลนะฉะนั้นผลแห่งการถึงพระรัตนตายผลผลแห่งการสมาทานศีลผลแห่งการรักษาอุโบสถศีลผลแห่งการทําปาฏิโมกสังวรศีลอินทรีย์สังวรศีล อาชีวะปริสุทธิศีลปัจจะญาสนิสสัิศีลให้บริบูรณ์เนี่ยผลนั้นนับไม่ได้แห่งการบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นได้ฉะนั้นก็ชนทั้งหลายเหล่านั้นท่านกล่าวว่าย่อมบูชาพระตถาคตเจ้าด้วยการบูชาอย่างยิ่งเหมือนอย่างที่ท่านกล่าวไว้ในมหาปริญญนิพานสูตรบอกว่าอา น, นุ์ภิกษุก็ดีภิกษุณีก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีคนใดปฏิบัติธรรม ตามสมควรแก่ธรรมมีการประพฤติ ธ, ธรรมอยู่ผู้นั้นชื่อว่าย่อมสการะคารลบนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชายิ่งแม้การบูชาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าบูชาอริยสาวกก็พึงนําประโยชน์สุขมาให้เช่นกันในทํานองการบูชานี้ฉะนั้นเราบอกว่าประพฤติ ธ, ธรรมตามสมควรแก่โลกรุตรธรรมประพฤติธรร ม, รธธรมถ้าเป็นบุถุชนก็ประพฤติธรรมตามสมควรแก่โสดาบันก็คือว่า ประพฤติทมเพื่อจะทําให้ตนเองเป็นวสดาบันถ้าเป็นวสดาบันก็ประพฤติธรรมเพื่อจะให้เป็นพระสกทาคารเนี่นะถ้าเป็นพระสกทาคามีก็ประพฤติทำเพื่อจะให้เป็นพระานาคามีถ้าเป็นพผ้านาคามีก็ประพฤติธรำเพื่อจะให้เป็นผ้ารหันเนี่ยลักษณะนี้เขาเรียกว่าประพฤติธทำตามสมควรเกียรธรรมแต่อยากเราเป็นบุรุษชนก็ประพฤติธรรมเพื่อจะให้ได้เป็นพรวสดาบันเงี้ยเป็นต้นเนี่นะขั้นแรกเนี่ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าประพฤติทำตามสมควรเกียรธรรมถ้าทําได้ อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการปฏิบัติบูบชาเป็นการปฏิบัติบูชานะฉะนั้นการแม้แต่การฟังธรรมเนี่ยท่านในการฟังธรรมเนี่ยบางถ้าสมัยก่อนเขาฟังกันเนี่ยเ้าทั้งเยฟังใช่ฟังฟังไปเขาบรรลุกันเป็นแถวเป็นแนวที่เขาฟังแล้วก็ได้ผลตรงนั้นก็เพราะว่ามันไปจากการสั่งสมเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งเพึ่งทราบว่าผู้ควรบูชาที่บอกว่า เออถ้าอย่างอย่างเราถ้าิยมในอัตกระสาท่านบอกว่าคนที่มีพี่การบูชาพี่ก็ชื่อว่าก็เป็นหน้าที่นะถ้าเราถ้าเราเป็นพี่เขาน้องก็บูชาเราเนี่ยด้วยการปฏิบัติด้วยการให้สิ่งของด้วยการอะไรต่างๆนั้นก็ชื่อเป็นการบูชาทั้งนั้นเลยนะเป็นสามีภรรยากับภรรยาก็บูชาสามีอย่างนี้เป็นต้นบทสามีเป็นต้น เป็นบุคลบคลผู้คนบูชาสําหรับหญิงสาวในตระกูลทั้งหลายด้วยการบูชาแม้สิ่งบุคคลเหล่านี้ชื่อว่าเป็นมงคลเหมือนกันเขาบอกถามบอกว่าเออถ้าเราอยู่ในตระกูลอยู่ในพ่อแม่พี่น้องอะไรต่างๆเหล่าเนี้เราดูแลพ่อแม่บูชาพ่อแม่หรือพี่หรือน้าป้าอาเป็นต้นเหล่านี้ชื่อว่าเป็นการบูชาไหมชื่อว่าเป็นการบูชามีอันนี้สองไหมมี ต้องตั้งกระแสจิตให้เป็นแน่ๆแต่จิตที่คิดจะบูชาเนี่ยที่จะกระทําอะไรให้ต้องทําด้วยจิตที่เป็นบุญนะไม่ได้ทําแบบเพื่อจะเอาบุญเอาคุณนะบอกอ้าวนี่ฉันดูแลคุณนะเดี๋ยวต่อไปอย่าลืม อ, อ, อย่าอย่าทิ้งฉันล่าอะไรเงไรไี้ยไม่ได้อันนี้เป็นการทวงบุญคุณเป็นกุศลธรรมเนะนะเพราะการบูชานั้นเป็นเหตุแห่งความเจริญแห่งอายุเอลักษณะแห่ง คนที่อายุยืนยาวทั้งหลายเหล่าเนี้มาจากการบูชานี่แหละมาจากการบูชาเป็นต้นเหลา่าเนี้สมจริงดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าชนเหล่าใดจักเป็นผู้เกื้อกูลแก่มารดาเป็นผู้เกื้อกูลแกบิดาเกื้อกูลแก่สมณะเกื้อกูลแกพรามณ์จักสมาทานประพฤติกุศลธรรมนี้อยู่เพราะเหี้ยถ่งการสมาทานกุศลธรรมเหล่านั้นชนเหล่านั้นจักเจริญด้วยอายุบ้างเจริญด้วยวันณะบ้างดังนี้เป็นต้นเห็นไหม พระพุทธเจ้ายังตัดไว้บอกว่าอยากอายุยืนสงสัยเราชาติที่แล้วไม่ค่อยได้บูชาสิ่งที่คนบูชา <c oughs> เลยเลยอายุจะไม่ค่อยยืนแต่ถ้าชาติหน้าและสบายแล้วแต่นี้เรบูชามาเยอะถ้าบุญถ้ากรรมที่ทํานี้ส่งผลเนี่ยก็พยายามก็เจริญกุศลเหล่านี้กันเยอะๆเทียนี้เป็นเหตุแหง่งเป็นเหตุแหง่งความมีอายุยืนเบนต้นเหล่าเนี้เนี่ยเป็นเหตุแห่งความ ในมงคลทั้งสามประการนั้นการไม่คบคนพานทั้งหลายพึงทราบว่าเป็นมงคลเพราะอะไรเพราะป้องกันพยานอันตรายมีภัยต่างๆเป็นต้นเสียได้นอกจากการครบคนพานเป็นปัจจัยเพราะเป็นเหตุแห่งประโยชน์เกื้อกูลในโลกทั้งสองคือในโลกปัจจุบันและโลกหน้าการครบบัณฑิตทั้งหลายและการบูชาบุคคลผู้คนบูชาทั้งหลายพึงทราบว่าเป็นมงคล พะเป็นเหตุแห่งนิพพานและเป็นเหตุแห่งสุคติยกตัวอย่างเช่นว่าการคบพระพุทธเจ้าเนี่ยใช่ไหมการคบภาษารีบุตรการคบพระโมคคารานาะการคบพระอ น, นุนการคบพระมหากัสเป็นต้นเหล่าเนี้ยอันนี้เป็นเหตุแห่งสุคติและเป็นเหตุแห่งนิพพานเนี่ยเราคบท่านเหล่านี้ใช่ไหมเราเอาประวัติของท่านเหล่านี้มาศึกษาทุกวันเนี่ยแล้วไม่พอนะเอาคําสอนที่ท่านสอนก็ไว้ที่ไหนบ้างอาไปหาอ่าน แล้วฟังเอามาศึกษ า, ามาวิจัยเอามาพิจารณาเอามาแยกแยะว่าส่วนไหนเป็นทุกข์ส่วนไหนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ส่วนไหนเป็นความดับทุกข์ส่วนไหนเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ถ้าเราจะแยกขันของท่านเนี่ยนะเช่นว่าบูช า, บ, ชาบุคคลที่คนบูชาอยู่นะเช่นพ่อแม่พ่อแม่ก็มีขันห้านะบขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ที่เราบูชาท่านเนี่ย พ่อแม่พี่น้องเป็นต้นเหล่านี้ที่เรานับถือเคารพ บ, บูชาเออขันของท่านนี่ก็คือรูปประคันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแม่ของพระพุทธเจ้าของพระโมคคัลลานะของพระสารีบุตรเป็นต้นเหล่านี้เออกระแสขันของท่านนี่เป็นสัจจะอะไรออกเป็นทุกขสัจจะเห็นไหมเออเป็นทุกขสัจจะแล้วกระแสจิตของเราที่กําลังปฏิบัติบูบชานี่แหละเป็นอะไรละ่ะเป็นอะไรอัน ถ้าบอกว่าตัณหาที่เป็นเหตุให้เกิดขันเหล่านี้ตัณหาในภพเก่าที่เป็นเหตุให้เกิดขันเหล่านี้เป็นสมุทัยสัจจะความไม่เป็นไปของขันเหล่านี้และไม่เป็นไปของตัณหาเป็นนิโรธาสัจจะจิตที่คิดจะบูชาและการประพฤติปฏิบัติเป็นต้นอันนั้นเป็นมรรคหนึ่งการเจริญสีสมาธิปัญญาตามแนวคําสอนของท่านนี้เป็นมรรคถ้าบอกว่าเป็นเหตุแห่งพระนิพพานและเป็นเหตุแห่งสุคติฉะนั้นการที่เราครบ พระพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่าเนี้ยแล้วก็เอาคําสอนของท่านมาประพฤติปฏิบัติเราก็จะได้สุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าและอาการที่ได้สุคติเป็นไปในเบื้องหน้านี่แหละเมื่อประพฤติปฏิบัติตามคําสอนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปในสุนจริงก็จะพ้นจากวัตฏะพ้นจากกองทุกข์ได้ฉะนั้นการครบคนพานการครบการครบคนพานยก็เป็นสิ่งที่ว่าเออเป็นการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่สิ่งที่เป็นโทษ ส่วนการครบบัณฑิตก็คือว่าการเข้าหาสิ่งที่เป็นคุณอย่างนี้เป็นต้น น, นี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้นฉะนั้นในคาถาแรกก็เป็นอนว่าจบไปนที่บอกว่าการไม่คบคนพานกาครคบบัณฑิตการบูชาบุคคลที่ควรบูชานี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้ประการต่อไปก็คือว่าในคาถาที่สองการอยู่ในประเทศที่สมควรคำว่าประเทศที่สมควรนั้นเนนะี่ยมายจากคาว่าปฏิรูปประเทศนี่ ในคําว่าประเทศที่สมควรในข้อเนี้มาจากคําว่าประเทศที่สมควรได้แก่ที่ที่มีบริษัททั้งสี่พิกซูภิกตุนีวบาโกบาซิกาของพระผู้มีภาคเจ้าใส่อยู่แล้วก็เดินไปถึงเป็นที่เป็นที่ที่บุญกิรจาวัตถุสิบเนีทานกุศลศีลกุศลภาวนาวกุศลอภจญายะเวยาวจจปฏิาาปทานประปทานุโมธนาเนี่ยดําเนินไป เป็นที่ที่คําสอนของพระศาสดามีองค์ก้ารุ่งเรืองสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวิธะกาอภูตธรรมเวทันละเป็นปัจจัยการทำบุญของสัตว์ทั้งหลายด้วยอีกในหนึ่งก็คือว่าสถานที่ที่ตัดสู้ของพระพุทธเจ้าหนึ่งสถานที่แสดงธรรมจักรกับวัฒนสูตรโคนต้นมะม่วงของนายคันดพึกอันเป็นที่แสดงเยมากับปฏิหารของพระพุทธเจ้า ทรงแสดงว่าทำลายความเมาของพวกเดรธีในถ้มกลางบริษัทอันมีในที่12ยอดหนึ่งสถานที่สเสด็จลงจากดาวดึงที่เรียกว่าสังกษะนคร น, นั้นหนึ่งรวมที่อื่นๆของพุทธเจ้าด้วยเนะกรุงราชคฤห์สาวัตถีเป็นต้นเหล่านี้อันนั้นเป็นสถานที่เป็นที่ที่สมควรเออถ้าเรามองอย่างนี้นะสถานที่แสดงธรรม เออที่บางแห่งเวลาเราไปสักการะบูชาพระที่อินเดียเนี่ยเมื่อพอไปแล้วเนี่ยสถานที่ที่ไปเนี่ยเป็นอารมณ์ปัจจัยกับกุศลได้เป็นอย่างดีมันแปลกนะถ้าเราไปตามที่ต่างๆเนี่ยก็ไม่ค่อยดึงดูดความรู้สึกสักเท่าไราแต่พอถ้าไปเที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยอารมณ์เหมือนว่าสถานที่ช่วยเราได้ตั้งครึ่งหนึ่งดึงจิตใจของเราให้สูงขึ้นเนะ ให้ทำให้กุศลเกิดค่อนข้างเยอะอย่างนี้เป็นต้นที่เหล่านั้นเขาเรียกว่าทัศนานุ ต, ตริยาการที่ได้เห็นสิ่งที่เยี่ยมประเทศที่สมควรในอัตกถาท่านกล่าวไว้นะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในชมพูทวีปน่ท่านแสดงว่าในทิศตะวันออกมีนิคมชื่อว่าชังคัละแล้วก็ระยะชังคละเป็นมหาสารนิคมเลย ระยะกะมหาสารานิคมเป็นปัจจันตชนบทคือชนบทที่อยู่ปลายแดนเน่ยต่ำกว่าปัจจันตชนบทเป็นมัชมิมชนบททางทิศอาคาเนก็มีแม่น้ําชื่อสรวดีต่อจากแม่น้ําสรวดีปัจจันตชนบทต่ำไปกว่าปัจจันตชนบทก็เป็นมัชมิมาชนบททางทิศใต้มีนิคมชื่อสาเกตหรือว่าเสตักกันนิกะนิคมต่อจากเส เซตาการนิกายนิคมก็เป็นปัจจันต์ดชนบทต่ำกว่าเสตาการนิกายนิคมก็เป็นมัชมะชนบททางทิศตะวันตกคือทิศปัจจิมนีมีบ้านพามชื่อว่าถูนะต่อจากบ้านพามเป็นปัจจันต์ชนบทต่ำกว่าปัจจันต์ชนบทเป็นมัชมะชนบททางทิศเหนือมีภูเขาชื่ออุสีรัทธะต่อจากนั้นก็เป็นปัจจันต์ดชนบทต่ำกว่าปัจจันต์ชนบทก็เป็นมัชมประเทศ กำหนดก็คือ300รอยโยกว้าง250รอยห้าวัดโดยรอบก็คือ900าอยโยธเนี่ยตรงนั้นเน่ยเขาเรียกว่ามัชชิมชนบทหรือประเทศที่สมควรฉะนั้นมัชชิมะประเทศที่ชื่อว่าประเทศก็คือว่าประเทศที่สมควรเป็นที่อยู่อันเป็นมงคลเนี่ยเพราะอะไรเพราะพระเจ้าจากักรพรรดิผู้เป็นใหญ่ในทวีปทั้งสและมีทวีปน้อย 2,000 บังเกิดบังเกิดที่ไหนถ้าจะบังเกิดก็บังเกิดในมัชชิมะประเทศ พระมหาสาวกมีพระโมกขลานะภาษาดิบุตรเป็นต้นบรมเพนบา ร, รมีมาเสยหนึ่งอสงไข่เนี่ยนะแสนกลับเวลาจะเกิดก็ต้องเกิดในมัชชิมะประเทศถ้าประเจกพุทธเจ้าที่บรมเพนบา ร, รมีมาสองอสงไข่เวลาจะมาเกิดก็เกิดในมัชชิมประเทศพระพุทธเจ้าผูเ้เป็นบา ร, รมีมาเสียสงไขยบ้าง8ดอสงไข่บ้างหรือสิบหกอสงไข่บ้างเนี่ยเวลาจะมาเกิดก็มาเกิดใน มัชชิมประเทศทั้งสิน้นฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายในมัชชิมประเทศที่ได้รับโอวาจากพระเจ้าจากักรพรรดิก็ตั้งอยู่ในศีน่ก็ไปเกิดในสวรรค์สัตว์ทั้งหลายที่ตั้งอยู่ในโอวาทของพอระปเจคพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันก็ไปเกิดในสวรรค์ได้แต่ผู้ที่ตั้งอยู่ในโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่สวรรค์ก็มีปรินิพานก็มีเพราะฉะนั้นการอยู่ในประเทศที่สมควร น, นั้นจึงชื่อว่าเป็นมงคล ทำไมเพราะเป็นปัจจัยให้ได้สมบัติทั้งหลายมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติสูงสุดก็คือทำให้ได้นิพพานสมบัตินี่เป็นอย่างนี้นะฉะนั้นถึงบอกว่าการที่ไม่ได้อยู่ในชมพูทวีปแต่ก็อยู่ในที่ที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าก็หมายความว่ามีบุญกิริยาวัตถุมีอริยมากมีองค์แปดแพ่ไปถึงเนี่ยที่ณตรงนั้นน่ะจึงจัดว่าเป็น ประเทศที่สมควรฉะนั้นคําว่าประเทศที่สมควรตรงนี้ก็ต้องดูด้วยนะว่าถ้าไปดูอย่างโอ้โหไปอยู่ในประเทศแถบยุโรปเนี่ยทั้งๆที่ทางเทคโนโล ย, ยีเจริญมากใช่ไหมแต่คําสอนแผ่ไปไม่ถึงอันนั้นไม่จัดว่าเป็นประเทศที่สมควรนะเพราะว่าศีลสมาธิปัญญาอาริยมรรคมีองค์แปดบุญกิริยาวัตถุเป็นต้นแผ่ไปไม่ถึงกลุ่มที่อยู่กันนั้นล้วนจะเป็นพวกมิจฉาทิถีเนี่ย เขาก็ทำบุญทําอะไรตามความเข้าใจของเขาเนี่ยน่ะอันนั้นไม่จะไม่จะว่าเป็นประเทศที่สมควรเพราะคําว่าประเทศที่สมควรเนี่ยหมายเอาว่ามีคําสอนของพระบรมศาสดาแผ่ไปถึงด้วยสามารถประพฤติปฏิบัติตามบุญเกลียววัตถุเป็นต้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นประเทศที่สมควรอีกเป็นไบลักษณะอย่างนี้เอาต่อไปเป็นมงคลอีกข้อนึงก็คือปุบเพกระเบิด ญ, ญาตา อันนี้กล่าเวเร็วๆ เ, เลยนะนี่การทําบุญไว้ในปางก่อนหมายถึงการได้สั่งสมบุญไว้ในอดีตคือในอดีตก่อนๆนู้นนะี่ยทำบุญแล้วกัปา ร, ปรพา พ, รราพระพุทธเจ้าพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าเมืกี้นาศพถามบอกว่าการได้ทําบุญไว้ในปางก่อนเป็นมงคลยังไงก็ต้องตอบว่าบุคคลทั้งหลายที่ได้สั่งสมไว้ในบางก่อนเมื่อได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพุทธเจ้าในเฉพาะหน้าแม้เพียง4บาทคาถาก็ได้บรูลุได้มีเป็นอย่างนี้ อันนี้สองการทําบุญในบางก่อนเออนี้ก็มาสังเกตอย่างเราทั้งหลายใช่ไหมว่าเออเรามีบุญตรงนี้หรือเปล่าก็สังเกตดูนะว่าเวลาฟังคําสอนแล้วมันมีควา ม, มารู้สึกยังไงฟังปุ๊บเหมือนสว่างเข้าใจเลยว่ะหรือว่าฟังมันก็ยังมืดอยู่เนี่ยเนะี่ยอันนี้บุญเก่าไม่ค่อยดีนะอย่างเงี้ยถ้าบุญเก่าดีเนะี่ยบอกว่าเวลาฟังเนี่ยหรือจิตใจเกิดศรัทธาได้ไงดูยังไงดูอย่างพระมหากราปีนาะ พระมหากราปีน่าเนี่ยเวลาเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยไหมก็ไปตรวจเยี่ยมตามเมืองชายแดงมีวันหนึ่งก็พบพ่อค้าพ่อค้าห้าร้อยเล่มเกวียนเนี่ยเดินทางมาแต่ไกลมาจากเมืองอื่นก็เลยไปสอบถามว่าท่านทั้งหลายเดินทางมาจากเมืองอื่นเมืองของท่านมีอะไรบ้างไหมที่ดีที่สุดเนี่ยบอกั้นเนี่ย ค้านั้นก็บอกว่าเมืองของเราตอนนี้พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วประทับอยู่โอ้โหพอได้ยินคําว่าพุทธโอ้พระพุทธเจ้าประทับอยู่แค่นั้นเนะ่ยแทบลอยขึ้นจากหลังมาเลยลูกเอตัวเบาขนลุกชูชันหมดเลยความเลื่อมใสเกิดโอ้โหเป็นบุญหูอ่ะเข้าใจว่าคําว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนานนักหนาที่ไม่เคยได้ยินเลยอะ นี่เป็นบุญหูของข้าพเจ้าแล้วพระราชทานทรัพย์ให้หนึ่งแสนกะหาบ น, นะ <c oughs> ยังได้ยินแค่นี้ยแล้วถามอว่ามีอีกไ้ยเรามีสิ่งที่ดีที่สุดอีกไหมบอกว่าพระธรรมอุบัติเกิดขึ้นแล้วคือพระพุทธเจ้าไม่ได้อุบัติเกิดเพิ่มมาอย่างเดียวนะพระองค์ทรงแสดงธรรมด้วยพวกได้ยินพระธรรมแค่นั้นโอ้ตัวแทบลอยอีกแล้วนึกในใจว่าโอ้เราได้ยินธรรมะเนี่ยเนี่ย เราต้องได้ฟังว่าธรรมเนี่ยนย <Okay. S 1> แสดงว่าท่านปารลปราถนาฟังว่าธรรมาใช่ไหม บ, บุเพกตาปุญญาตาท่านดีมากนะยเนี่ยแล้วท่านก็ถามต่อไปแล้วมีอะไรอีกไหมที่เป็นมงคลกว่านี้ยบอกว่าผ้าเรียสงอุบัติเกิดขึ้นแล้วยื้อแค่นั้นโอ้โหเราเดามีโอกาสแล้วพอฟังแค่นี้ผมคิดในใจว่าเราจะต้องบรรลุได้เอ้ยอย่างเราเนี่ยถ้าถ้ามีได้เคยตั้ง จิตปรารถนาปรารบการบรรลุธรรมก็ไว้ใช่ไหมสมมุติถ้าเรามาฟังธรรมตรงนี้เนี่ยเราเคยตั้งไว้ในอดีตเนี่ยพอมาฟังนี่ปุ๊บเนี่ยวจะเพิ่มกระแสจิตจะเพิ่มขึ้นแล้วจะมีความรู้สึกบอกว่าโอ้เป็นบุญเยล้าวของเราแล้วก็จะเร่งตั้งต่อ บ, บางคนเน่ยเพียรพยายามแล้วบรรลุได้เลยแต่ถ้าฟังแล้วเราสงสัยอีกนานไอ้นี่บนเก่านี้ไม่ค่อยดีนะประเภทนี้นะบอกเราค่อยเป็นค่อยไปเธออะไรเนี่ยไอ้ประเภทอย่างนี้ แต่ถ้าหาวกว่าประเภทที่มันเพิ่มขึ้นมาเลยตั้งมั่นเลยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าบุญบุญเก่าดีเหมือนเช่นว่าท่านพระภายยะทารุจริยะเนี่ยฉันบุคคลใดได้กระทาบุญใน้างก่อนเป็นผู้สั่งสมกุศลมูลเมื่อได้ฟงังธรมก็อาศัยกุศลในอดีตนั้นเองยังวิปัสสนาให้ตั้งขึ้นก็ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะเหมือนอย่างพระเจ้ามหากปินญและนางอนุชามอ克拉มเฮีสี เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการเป็นผู้ได้ทำบุญในบางก่อนเป็นมงคลคือเป็นเหตุให้ถึงความเจริญเนให้สังเกตดูว่าภาษาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายมีพระโมคลานนะภาษาดิบุตรเป็นต้นเหล่านี้ท่านเหล่านี้มีปุเพ ก, กตบุญญตากันเป็นอย่างเดียวและสังเกตดูนะว่าคนที่ศึกษาคาสอนในยุคนี้แล้วเข้าใจเนี่ยบ่งบอกได้ชัดเลยว่าคนบุญเก่าดี ลองไปเอาพระตไตรปิฎกมานั่งอ่านดูแล้วจะรู้เลยว่ามันถ้าต้องคนมีบุญเท่านั้นเน่ยถ้าไม่มีบุญนะ่ยอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจมันเป็นอย่างงี้อ่าน<ม>อ่านไปนาะยจะคิดไปอีกเรื่องเลยบางทีอ่านอ่านพลอยไม่อยากจับส่งเลยแต่นี่นี่เป็นอย่างงี้เนะ่ฉะนั้นต้งบอกว่าบุญเก่าเนี่ยทําไว้อย่างเราทั้งหลายเราฟังขนาดนี้ใช่ไหมฟังไ้เรื่อยๆอย่างเงี้ยจะไปชาติหน้าสบา ย, ยเรียนน้อยเลยหนึง คือฟังแล้วเขเอ๊ะมันคือฟังแล้วมันมันคลับคล้ายคลับคลาบ้างอย่างเง้ยเพราะเป้ที่เหมื้มืดหน้ามืดหลังเลยเงี <c oughs> ้ยแสดงว่าไม่ได้สั่งสมกันไว้แต่ถ้าคนที่บนเก่าก็ดีนี่เขาฟังฟังนี่เขาอูมันเออนี่มันใช่อะ่ะเขาเคยฟังเข้ามาฟังก็ไว้แต่ถ้ากลุ่มที่ไม่ได้ไม่ได้ฟังหรือไม่ได้เคยสร้างปุบเพกระตะบุญญาตาไว้เลยนี่ ไอตัวปุเพกตะปุญญาตาเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยเป็นไปตามลำดับดังที่ได้กล่าวเอาไว้ที่บอกว่าเออไอตัวโยนิโสมมานสิการเนี่ยตัวโยนิโสมมนสิการ้านเนี่ยก็เป็นปใจใัจจัยเกิดสุจริตเป็นต้นนั่นนนึงแต่ว่าการฟังพระสัตธรรมเนี่ยเป็นปใจใัจจัยเกิดโยนิโสมมนัสิกาแล้วและอะไรเป็นเหตุการฟังพระสัตธรรมกับการคบสัต บ, บุรุษการคบสัมฤุธิ์ก็คือการอยู่ในประเทศที่สมควร การที่อยู่ในประเทศที่สมควรได้ก็เพราะมีปุเพกตปุญญตาฉะนั้นตัวปุเพกตปุญญตาเนี่ยเป็นปัจจัยให้อยู่ในประเทศที่สมควรการอยู่ในประเทศที่สมควรเป็นปจัจจัยให้ครบสัตว์บุรุษการได้อยู่ ใ, ใกล้สัตว์บุรุษเป็นต้นเหล่านี้เป็นเหตุให้ได้ฟังธรรมเมื่อฟังธรรมก็เป็นเหตุใ ห, หให้เกิดโยนิโสมนัสิกาหรืออัตสัมมาปณิธิไอตัวโยนิโสมนัสิการละนี่นีเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้ สุจิญสมคือกายะสุจริตวจีสุเจริญแล้วก็มโนโสุดจริญไอตัวสุจริญสามก็เป็นปัจจัยให้ได้เจริญสติปัฏฐานสติปัฏฐานสมบัติฐา น, ฐา น, ฐา น, ฐานอิทิบาทอินทรีย์พระโพชฌงค์อรอยิยมารเป็นต้นเหล่านี้ก็จะเป็นปัจจัยเก่กันตามลําดับเหล่านี้ฉะนั้นปุเพกะตะบุญญาตาอย่างเดียวนี่ก็โอ้โหให้ผลเยอะนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้นี่นี่ในข้อกล่าว่าปุเพกะตะบุญญตา ส่วนในข้อต่อไปก็คืออัตตาสัมมาพณิธิการตั้งตนไว้ชอบตนเป็นผู้ไม่มีศีลก็ทําตนให้เป็นผู้มีศีลตนเป็นผู้ไม่มีศรัทธาก็ทําตนให้เป็นผู้มีศรัทธา